เรื่องอันเนื่องมาจากวัดเคลื่อนที่โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยหอน้อมน้อ ม, อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าคู่เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวข้ออำนวยพรสริสวัตพิพัฒนมงคล ความพาสุกทุกประการจึงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนญาโจมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจไฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ไฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในะโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านหลายจะได้ฟังการกล่าวปาทกรถาธรรม อันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านดังหลายผู้มีความสนใจฝ่ายธรรมจงตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีๆเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังครั้งนี้และจะนําไปเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจในการดําเนินชีวิตของท่านขอให้ท่านดั้งหลายจงที่จะว่าการฟังนี้ฟังแบบฟรีสไตล์ฟังแบบสบายๆตาม สะดวกเรื่องความเชื่อเอาไว้ทีหลังไม่เชื่อก็ได้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อ ก, ไอกไ็ ไ, กได้แต่ในขณะนี้เป็นขณะที่ท่านทั้งหลายจะต้องฟังเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ในการฟังครั้งนี้สาหรับการกล่าวปทาทกะทาธรรมในวันนี้ขอพูดในหัวข้อที่มีชื่อว่าอันเนื่องมาจาก วัดเคลื่อนที่ใช้คําว่าอันเนื่องมาจากวัดเคลื่อนที่เรื่องของเรื่องมันมีโยอะว่าทกวันนี้บ้านเมืองของเรากําลังเจริญอย่างรวดเร็วพัฒนาประเทศชาติทุกรูปแบบทั้งทางวัตถุและทางจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวัตถุนั้นไปได้รวดเร็วมาก อาศัยเทคโนโลยีวิชาการใหม่ๆทางโลกตะวันตกเข้ามามีบทบาทจนถึงขนาดพุทธวัฒนเอกยกกดปุ่มเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าจะมีโทรศัพท์ตำบลทุกตำบลทางไก่สามารถที่จะพูดกันไปถึงไหนถึงไหนถึ ง, ถ ง, ถงอเมริการนก็ได้นี่คือความเจริญอย่างรวดเร็วสมัยหูทิพตาทิพมัด ถ, ถึงแล้วคอยที่คนโบราณบอกว่า ซิเพื่อนเร้าเพื่อนมีขวยตูดตัวหนึ่งซิเพื่อนห่วมดาําผ้าหาเพื่อนห่วมดวําขวัญขวทางซิเพื่อนเร้าเพื่อนตีหยอดเป็นข้ามมือแค่นดวงเดียวมอล่ําพ่อหน่อยห้อยข่อยผู้เดียวมีนายพ่อพันมันถึงเวลาแล้วค่อยคนเดียวมีนายพ่อพันคนคนเดียวนั้นสามารถบริการคนเป็นพันพันหมื่นหมื่นรับใช้ สมัยพุทธเจ้าเคยใช้สมณะสามนีนไปเอาน้ำที่สะอนุดาตมาล้างเท้าให้ท่านที่เมืองบาดาลพิภพเนียนน้อยเดี๋ยวนี้เราจะใช้ใครก็ได้ในโทรศัพท์ทางไกลต้องการพูดกับใครที่ญี่ปุ่นที่ไหนก็ได้กดแค่คุยไปได้เลยลูกศิษย์ฝรั่งที่ไปโยู่กั า, าตามาวันหนึ่งแกบอกว่าคิดถึงบ้านมาก มีอาการฝันไม่ดีเกี่ยวกับทางบ้านจดหมายก็ไม่มากระวนกระวายแกบอกว่าอยากแจ้โทรศัพท์ห่างไกลไปออสเตรเลียดูอาตมาก็พาไป <c oughs> เพราะว่ามันคุยกันได้สบายจากประเทศไทยเราจากบ้านเรากับออสเตรเลียเมื่อเทียบเวลาปีนิดแล้วนี่มันจเจริญนึกขนาด น, นี้แหละมนุษยชาติแต่ทางด้านจิตใจนั่นก็รู้สึกว่าเกิดภาวะ ใจต่ําจิตสามลงอย่างรุนแรงจนคนในบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันก็จะพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วเราก็หันมาพัฒนาทางจิตเพราะจิตมันก็เป็นเรื่องที่พัฒนาได้เหมือนวัตถุเหมือนกันจากโจรธรรมดาพัฒนาไปเป็นพระอรหันต์ก็ได้มันถึงขนาดนั้นเราก็เลยไม่มองข้ามในทางกำลัสอนพุทธศาสนาก็เลยมีการพัฒนาจิตมีโครงการแผ่นดินทําแผ่นดินทองอะไรกันขึ้นมา <c oughs> ทางพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ได้อยู่เดียวดายครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ทางเทระสมาคมก็ดีทางกรมการศาสนาก็ดีก็เร่งเร่าอย่างกองงานธรรมทูตก็ดีมีการจัดอบรมพระธรรมทูตส่งออกไปปฏิบัติงานแต่เรื่องจะได้ผลสะแค่ไหนไปอีกเรื่องหนึ่ง คือหลักการดีแล้วอุดมการดีแล้ววิธีการก็ดีแต่การปฏิบัติการจะดีสักแค่ไหนมันก็อยู่ที่บุคคล น, นั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่เกิดอาการขัดแยง้งเป็นยุคที่กําลังถูกครอบงําทางสติปัญญาเด็ก น, น้อยเกิดมาอายุสี่ขวบห้าขวบเขารู้จักสิ่งที่ดีที่สุดถามเขาว่าหนูอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดเขาบอกว่าเป๊ปซี่ดีที่สุด นั่นคือเขาถูกครอบงำทางสติปัญญาทางเสื่อมวนชนทางโฆษณาต่างๆทางมิสมีเดียมทางวิทยุทางโทรทัศน์เด็กๆ เ, เข้าไปในเมืองกับพ่อกับแม่จะไปซื้อขนมเขาจะไม่ชอบถ้าขนมสิ่งที่เขาเคยเห็นโฆษณาในโทรทัศน์เขาจะดิ้นอยากได้ทันทีเดี๋ยนีต้องโโฆษณากันตั้งแต่การเกงในอันเดอร์แวร์ขึ้นมาจนถึงเครื่องรับอ่างทุกสิ่งทุกอย่าง ขนาดว่าเครื่องสำอางน้ําหอมโนวิ่งควรละหมื่นบาทก็มีแล้วควรละหมือนบาทก็แย่งกันซื้อแล้วนะน้ําหอมมีที่ไหนหมือนบาทนั่นแตแดงหวัดแต่ละหยดที่ทาเข้าไปที่พรมเข้าไปด้านบนหมายถึงข้าวทีแล้วก็สอบกระสอบของคนจนแต่เศรษฐีซื้อน้ําหอมโนวิ่งควรละหมื่นบาทจากอเมริกาโอ้โหนี่มันยังไงท่านทั้งหลายลองคิดดู แต่คนโบราณของเอานน่นก็มีน้ำหอมอย่างในภาคอีสานน้ำหอมอย่างดีที่สุดก็คือฟาเวอร์ออฟส l ล t e อัตมาตั้งเชื้อให้ดอกสเลเตนั่นแหละยอดน้ำหอมที่สุดเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรู้จักกันหนละหมื่นบาทก็มีแล้วความจเจริญทางวัตถุมันอย่างนั้นแต่ทางจิตใจเราก็ควรจะมีควรจะมีเช่นนั้นก็เลยมีการพัฒนากันทาง ภาครัฐบาลและเอ ก, กนชนเดยนมีได้ทราบข่าวว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็เร่งงานงานสร้างสรรค์แผ่นดินธรมแผ่นดินทองได้ข่าวว่าจะมีการจัดอบรมกันอันนี้ทางพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็นมีการจัดอบรมกันอยู่บ่อยๆบางครั้งก็เหมือนฝ่ายไม่ฟงังแต่เดนี้ก็มีการจัดปริบัต์ากา ร, รมอบรม <c oughs> สมาธิภาวนาอบรมชาวบ้านขึ้นขอประหานรไปเสียงมันไม่ดีระ ล, ลมไม่ดี <c oughs> ที่นี้อาจามาก็เลยมาคิดว่าเดี๋ยวนี้โลกกำลังถูกครอบงำทางสติปัญญาโทรทัศน์เอ่ยวิทยุเอ่ยหนังเอ่ยเทปเอ่ยวิดีโอเอย่ยร่วแต่สร้างสรรค์สิ่งที่จะมาโฆษณากันให้หลงเชื่อยั่วยอ ม, มอบเมาจิตใจให้ไฟไปในสิ่งที่โฆษณานั้นแต่ทางศีลดังธรรมเราโฆษณากันไม่ขึ้น โฮมกันเท่าไหร่ก็เหมือนฝ่าไม่ฟังจะจัดงานอบรมระดมธรรมมหกรรมธรรมะครั้งยิ่งใหญ่โฆษณาให้เหมือนงานช่างเบงซูรินแค่ไหนก็มีคนไปเพียงย่อมแยมแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแล้วโลกมันไปไหนไม่รอดดอกมันทุกมันยากที่สุดทางจิตใจมันจะต้องกลับมาหาทางแห่งธรรมมันจะไปไหนเสีย คนโบราณฤษีวัลลมิกิเขียนเรื่องฮนมุมานก่อไฟได้ใหญ่โตเผาลังกาพินาทใหม่ในที่สุดไฟไม่หางสัตน ล, ลนิกรีนี้ไปได้ฉช่ไหนไฟไม่หางเมื่อเผาหลังกาแล้วก็ขึ้นไปถึงนู่นของฟ้าอากาศไปเห็นหลักอยู่ห้าหลักในอวากาศก็บินตามไปก็ไปเห็นหลักห้าหลักคือนิ้วมือตามแขนลงมาก็มาเห็นตัวคนคือฤษี ถามมาเอาอะไรมามอดไฟนี่เลยสีบอกน้กนําบ่อหน้อยซิเว้ยมันยังขังตัวฮานุมานก็ไม่รู้จักน้ําบ่อน้อยมุดลงไปในบาดาลภ พ, พก็ไปเห็นหลักห่าหลักเอ้านี่ก็มืออีกดำขึ้นมาก็เป็นคนคนเดิมถามมาทํายังไงจะดับได้บอกว่าน้ําบ่อหน้อยในที่สุดกก็บินขึ้นฟากเขาพาสูเมนแล้วก็มุดลงดินบาดาลสันตําวิ่งไปวิ่งมาหางสันลิกลี่ลิกลี่ก็ไปเห็นแต่หลักห้าหลัก ตามไปกับเป็นมือเป็นคนเป็นลือสีถามทีไรก็บอกว่าน้ำบ่อน้อยเมื่อฮานุมานไปสุดเวี่ยงจะตายชักเข้าไปไม่รอดแล้วไฟไม่หางสั่นลิกๆีลิกลี่เข้ามาในที่สุดแกก็เลยเอาเอ า, เอ า, เ, อ า, เ, อาเอาหางนี่มาอ ม, มจอดก็้าไปในปากณนะไฟก็เลยดับน้ำบอ่ำบอน้อยคือปากทั้งหมดนี้คือปริศนาสอนธรรมะ ฮนุมานคือโรคแห่งวัตถุนิยมคือความเจริญทางเทคโนโลยีทางวัตถุแม้จะสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเอาคอมพิวเตอร์มาตรวจมาเช็คมาตัดสินพระไตรปิฎกกดตามแต่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทําให้ใครบรัตตุรุทำดับโลภโทสดโมหะได้ก็คนนั่นแหละเองเป็นคนทําคอมพิวเตอร์ขึ้นมา ในที่สุดเทคนิคของฝรั่งมังค่าเทคโนโลยีของฝรั่งมันไม่ช่วยทําลายกิเลสมันไม่ช่วยลดความเห็นแก่ตัวมันไม่ช่วยดับทุกขางใจได้ไปไหนก็เห็นแต่ห้านิ้วของฤาษีหมายถึงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เต็มอัดไปด้วยโลภโทสะ โ, โมหะเต็มไปด้วยอุปาทานที่เราเคยได้ยินพระสวดกันปัจจุบันทานขันธ์ถูกขาอุปาทานกันธตั้งห้าคือตัวทุก ขันหา้า The Five of Group Aggregate ภาษาฝรั่งว่านี้คือกลุ่มห้ากลุ่มทางกายกับจิตกลุมหนึ่งเป็นเรื่องกายสีกลุ่มเป็นเรื่องของจิตรูปเป็นเรื่องของกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ Feeling Perception Volitional Activity Consist ขอภายพูดภาษาฝรั่งหม่พวกเหล่านี้คือรูปเวทคือสัญญาสังขารวิญญาณ มันมีอุปทานคือแอดแทสความหลงก็ไปยึดมันหรืมันในรูปในเวทนาในสัญญาตกลการเป็นญาณมันก็เลยไม่หัวไม่จิตไม่ใจไปที่ไหนต้องเห็นมือห้าเดีวบินขึ้นไปสุดขอบฟ้าห น, นีขันห้าไปฉนังบินขึ้นไปถึงดวงจันทร์ถึงดาวอังคารถึง e ue, อีเวคิวอัมมุดลงไปใต้านา้ําโดยเรือดํนาน้ํามันก็มีกิเลส ต, ตามไปด้วยมันก็เอาขันห้าที่เต็มอัดปด้วยอุปทานแบกหนักไฟแดงลุกทพ ง, พงๆอยู่นั้น มันก็ไม่หัวไปเรื่อยทุกไปเรื่อยเข็นฆ่ากันทุกวันนี้ก็เพราะอุปทานยึดมันม่นเถอะมั่นว่าแอดแท้นั่นในที่ส่วนมันไปไม่รอดมันต้องกลับมาหาทางแห่งธรรมตามมือห้านิ้วลงมาก็ไปเห็นตัวฤๅษีแน่ก็มาถามว่าทํำยังไงฤๅษีบอกว่านา้ําบ่อน้อยที่แต่ก็ไม่เชื่อคือไม่รู้เรื่องมันน้ําบ่อน้อยที่ไหนวิ่งไปอีกสุดเหวี่ยงไปไม่ไหวก็กลับมาอีกถามอีกถ า, ามไปถามมาฤๅษีก็บอกนอ้ําบ่อน้อย เราจะเจริญแค่ไหนก็ตามรวดเร็วแค่ไหนก็ตามพุทธปฏิต เ, ตเอนิทแค่ไหนก็ตามจะมีเครื่องบินเอแบกกีไปจำตัวแค่ไหนก็ตามความทุกข์มันไม่ได้ลดลงดอกกิเลสมันจะเผาหัวให้ตายในที่สุดโลกประสาทกินหัวมนุษย์มากขึ้นมนุษย์จะหนีจากธรรมไปได้ไงต้องกลับมาหาธรรมต้องดับไฟด้วยน้ำบอดน้อยดับไฟโลภโรสโมหในจิตในใจคนอื่นดับให้ไม่ได้ สุขาต้นบําปานฟานหัวบม่มเพินบ่มให้บํา ป, ปานเจ้าบ่มเองคนโบราณว่าอย่างนี้สุขาตน้นคือปล่อยให้มันดีเองมันเป็นเองมันไม่ดีเท่ากับฟานหัวบม่มมันจะได้สุกไวๆจะให้ดีเองมันไม่ดีเท่ากับอบรมให้มันดีขึ้นจิตใจต้องฝึกขัดดัดได้เพินบ่มให้บํา ป, ปานเจ้าบ่มเองใครจะมาฝึกเราได้นอกจากเราฝึกตัวเราในสิ่งที่มันดีมานงามในที่สุดน้ําบ่า น, น้อยก็ยังขลังก็อามะอม้อม ไปไม่รอดถึงดวงจันทร์ถึงดาวอังคารเดี๋ยวนี้ฝรั่งต้องสมสารมาศึกษาศาสตร์นาพุทธมาขอบวชมาขอเรียนทุกวันนีเป็นปัญหาอย่างนี้แหละของเขามันกระดับกันไม่ได้อาตมานึกถึงปัญหาที่โลกถูกครอบงำต้องคมถูกครอบงาทางสติปัญญาฝรั่งจะถือศาสสนาพุทธฝรั่งจะทิ้งศาสตร์ศาสนาไปถือศาสตนาวัตถุไปถือศาสนาพระจงพระเจ้าแบบฝรั่ง ในที่สุดความทุกข์ของคนไทยก็เริ่มมากขึ้นค่าตัวตายมากขึ้นเป็นโรคประสาทมากขึ้นฝฟังฮิปปี้ฮิปโปที่สูบกัญชายาฝิ่นกลับสนใจศาสนาจนถึงขนาดว่ายังอเมริกันเทินอีสเพิร์ตหนุ่มสาอเมริกาหันมาตะวันออกทั้งหมดนั่นแหละคือพวกนั้นมันได้รับความทุกข์มากได้รับความทุกข์จากความสะดวกสบายทางเทคโนโลยีจะต้องการความฝุกฐางใจมันต้องแลกความสุขทานกายฐานกายออกไป อันตรเมือมันนึกถึงตรงนี้กันนึ ก, กว่าบ้านเมืองเรากําลังถูกมอมเมาถูกครอบนทางสติปัญญาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อยู่ในท้องมองมเมาสติปัญญาครอบนําสติปัญญาด้วยหนังด้วยวิดีโอด้วยเทปด้วยโฆษณาทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์ทางแมกซินอะไรต่างๆหนังสือพิมพ์แต่ละหน้ากระดาษเต็มไปด้วยอกลิ่นค่าวเลือดควันปืนเต็มไปด้วยเรื่องเพศรด และอาจจะอยากกำ with sex and cry ฟูนอัพวิเศษแอนค่ายหนังสือธรรมะของธรรมะนี่ไม่มีใครจะสนใจซื้อมาอ่านจะแจกให้ฟรีๆยังไม่อยากเอาทั้งหมดนั้นคือเราถูกครอบงำแล้วทางสติปัญญา movement t h a t เดสบิ n ารออ e อิน a t เล็ก l ว e เลเวลเบฟ e ร์บีคอมโพร์ดิจันการมันก็บอกว่าการยึดครองทางสติปัญญาเป็นแนวหน้าของการยึดครองทางการเมือง พระพุทธเจ้าบอกว่าปาปานิกรมมานิกรโรติโมหะบุคคลทำบาปทำชั่วพวกเขาไม่รู้จักเขาโง่อันโทยถาโชดิมันที่แตเหยยะขาตาปัญญาแต่แล้วก็ส่องหเหยียบไปได้แม้ไฟที่ส่องทางของตอนเองะเรียนจบปริญญามาเป็นหางจบปริญญาตีโทเอกหรือว่าไฮสคูลหรือว่านะมัธยมไปไปที่เก่งแล้วก็ตามเขามีปัญญาโลกโลกดิบดิบที่ เจิดจ้าจนฟางไฟหลงทางได้เหยียบลงไปแม้ไฟที่สองทางพุทธศาสนาเป็นไฟที่ส่องทางแห่งชีวิตที่ดีงามในที่สุดก็คว้าผิดคว้าถูกจึงมันเกิดคอนฟ lict ก, กันมาทุกวันนี่มีอำนักต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ชาพุทธนักบวชเหมือนกันยังดูหน้านกันไม่ได้นะั่นเละมันฟางไฟที่สุดเลยเรียกว่าเหยียบไฟที่สองทางแล้วตายังไม่ดีพอมันจ้าดุดไฟเฉยๆแต่ตาที่จะ เป็นเจ้าของดูตามไฟอย่างไม่มีโฟกัสยังไม่มีการจุดรวมแสงกันได้เหมือนเราขับรถสวนกันแล้วมันฟางไฟโบเห็นหุ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้อาตมาคิดว่าพระสองฆอ์เจ้าจะต้องออกลงพอสมควรปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่เดี๋ยวนี้เขามีอำเภอเคลื่อนที่แล้วนายอำเภอพาไปนัดพบหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านในตาบลหนึ่ ง, งแล้วก็เอาที่ดินไปป่าไม้ไปสาธนารนณะสุขจังหวัดไปแนะนำ โรคภายไข้เจ็บแล้วก็นำปาไม้นํำที่ดินไปนํานายทะเบียนไปบริการประชาชนทําทะเบียนบ้านทายบัตรประชาชนบริการถึงบันได้เรียกว่าอําเภอเคลื่อนที่แล้วมีจังหวัดเคลื่อนที่แล้วมีแพทย์เคลื่อนที่ไปทอนฟันไปรักษาโรคไปดูแลรักษาชาวบ้านหทางการเขาทาเข้าที่แล้วถนาดว่าบ้านเมืองมีรถราสะดวกสบายมีถนนหนทางจะไปอําเภอก็ไปไม่อยาก แต่จังหวัดก็ไปไม่ยากไม่ต้องขี่เกี้ยนไม่ต้องเดินไปเหมือนโบราณอำเภอยังอุดสายกขบวนเคลื่อนที่มาเป็นอำเภอเคลื่อนที่หาแล้วจังหวัดเคลื่อนที่แพทเคลื่อนที่หมอเคลื่อนที่หนักหนาเข้าตำรวจเคลื่อนที่มีตำรวจแต่สายตรงสายตรวจออกตามหมู่บ้านหนักหนาเข้าตำรวจสัมพันธ์ตำรวจพัฒนา น, นำกลุ่มตำรวจเข้าไปผูกเสียวเฮ้ยเกยฮักกับชาวบ้านพาชาวบ้านพัฒนา แต่ทางพระสองฆ์องค์เจ้ายังนอนอุตุนิยมวิทยากันเดี่ยวไปอบรมธรรมทูตมามาเป็นผู้บอกข่าวแห่งธรรมโดยมีเป้าหมายทางกรมการศาสนาทางกองธรรมทูตมหาเทสรสมาคมต้องการให้พระมีบทบาทช่วยพัฒนาจิตใจชาวบ้านอบรมและให้มาเทศมาสอนมาเผยแผ่ไปอบรมมาแล้วก็นอนแผ่กองสลึงกันต่อไปก็มีอย่างนี้อาตมาก็เลยคิดเยเอเราก็ควรจะมีวัดเคลื่อนที่กันบ้าง นำพระสองฆ์องค์เจ้าออกไปสู่ประชาชนแต่ว่าเรานี่มันไม่มีหยดยานปะหันนะมันก็ยังๆอยังเดินไปก็ยังไหวแต่เราจะต้องดูพื้นฐานก่อนว่าหมู่บ้านนั้นปาถนะไหมเขาขายแคนพ่าเขาอยากจะทําบุญไหมเอาล่ะที่ไหนเขาต้องการให้เขามารับเองเดี๋ยวนี้เขามีการจัดอบรมปาริวัติก ร, รมอบรมประชาชนแต่อามาไม่มีปัญญาก พราไม่มีอะไรจะเลี้ยงประชาชนอยู่ไปวันวันที่วัดนี้ก็อดอยากอยู่แล้วพระสงฆ์องค์เจ้ามีจํานวนมากฝากชีวิตไว้กับปากกระป๋องเป็นชีวิตกระป๋องซึ่งมันมาจากชาวบ้านชาวเมืองผู้มีศรัทธาจากที่อื่นชาวบ้านแพทย์ก็เป็นบ้านที่ทุกยากลําบากน่าเห็นอกเห็นใจพระสงฆ์เป็นจํานวนบ้างอาศัยทุกชาวบ้าน ท, ทุกทุกยากยากนี้แหละเลี้ยงมาแต่ดูดูแล้วชาวบ้านมีจิตใจประเสริฐมากพี่น้องชาวบ้านแพทย์ของอนามานี่นะ มาจังหันที่วัดมันก็ไกลเดินมาแล้วไม่ได้ทำอะไรดอกพระกว่จะฉันเสร็จก็สิบเอ็โมงพอดีเดินกลับไปบ้านโอ้อาจจะมามองตามหลังของโยมทุกๆอย่างยากเนี่ย น, นะมาจังหันดูแล้วสงสารโยมจิตใจประเสริฐแท้ๆกว่าจะหาได้ข่าวเม็ดหักพักเม็ดเดียวผักเส้นเดียวมาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวยังอุตส่าห์มาวัดมาวัดไม่ได้มาเฉยๆจะด้วย กว่าจะกลับไปได้ก็ครึ่งวันไม่ได้ทําอะไรเลยบุคคลเหล่านี้จิตใจประเสริฐแท้อาตมาจะไม่พูดอย่างพระองค์อื่นว่าไม่ได้อาศัยชาวบ้านกินเลยมีแต่ชาวบ้านมากินกับพระไม่ใช่ความจริงชาวบ้านประเสริฐแท้อาตมาต้องตักเตืนอนพระสงฆ์อยู่เรื่อยว่าชีวิตเหล่านี้ถ้าทําไม่ดีจะตกนรกก่อนชาวบ้านนะสุตโลหิปริพาโชติโยอกิรเตระชังตะาุูริจ่าบอกผมอาจารย์ที่ย่อหย่อนรังแต่จะโปรยธุลีเท่านั้น มีที่จะเพิ่มกิเลสและจะตกนรกที่พระพุทธเจ้าบอกอุโสยถาทุกขิโตหะธรมวานุกันตติสัมมันยังทุป ร, รามัทถันิรยายูปกตติยาค้าที่จับไม่ดีย่อมบาดมือได้ชั้นใดพรมมาจันที่บวชมาแล้วประพฤติไม่ดีย่อมลากคอลองไปสู่นรกฉันนั้นแดกวันถึงเฮลเพราะฉะ น, นั้นชาวบ้านดีแสนจะดีมันแม่ข้อธรรมเนี่ยเรียงพระได้จํานวนเมากเพราะพระที่วัดนี่เป็นมากเลย ยี่สิบสามสิบเราไปบินธบาติก็ได้ข้าวเช้ามาโยมาจังหันถึงแม้มีน้อยก็ตามแต่จิตใจเขาเปลีเสด็จมั้งน๊อเดินมาแล้วกลับไปบ้านนี่ไม่ได้ทําอะไรละครึ่งวันมาคิดดูแล้วโอ้ท่านเราจะไปจัดงานปาริวัติตระจำอบรมบวชชีพาเหมือนที่อื่นไม่ได้แน่ๆจะเอาอะไรมาเลี้ยงชาวบ้านคนที่จะมาบวชนี่คนก็เลยถามบว่าทําไมวัดอาจารย์สมภพจึงไม่เอาบุญทักทีจะได้ไปร่วมทําไม มาที่นี่ตู้บริจาคก็ไม่มีอาตามาต้องการให้ท่านบริจาคความเห็นแก่ตัวออกไปไม่ต้องการให้บริจาคอย่างอื่นเรื่องทรัพย์สินสมบัติเงินทองให้ท่านมองเห็นว่าถ้าท่านทําแล้วมันมีประโยชน์ไหมไม่ใช่ว่าเมาแต่บุญเมาแต่สวรรค์ลมลมแรงแรงโดยไม่คํานึงตึงเหตุถึงผลก็เลยไม่ปรารถนาถ้าท่านเห็นว่าไม่มีประโยชน์โอเคขอให้ท่านทำทำแล้วท่านไม่ต้องเดือดร้อนด้วยอะไอย่างนั้นนราจากนั้นอาตามาก็คิดว่า ควรจะปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่มันหมดเวลาซะแล้วเดี๋ยวนี้ที่จะมา น, นอนรออาราธนาตรึงสัพพาชาวบ้านโลกจเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์าปไกลการครอบงำทางสติปัญญาด้วยหนังสือการครอบงำทางสติปัญญาด้วยวิดีโอด้วยเทปด้วยโทรทัศน์ด้วยวิทยุมันสามารถที่จะครอบงำโกรธาค่านิยมผิดทิศได้ในที่สุดก็จะเห็นของหายเป็นดีมีคาเห็นดานด่าวดงกว่างว่าแปน เราจะมามวนอนร อ, อาราธนานอนตรึงศรัทธาดีเจกาเรในอดีตการอดีตผ่านมาให้ชาวบ้านวีสทายตรงเดียวนี้ศรัทธาเขาถูกครอบงำด้วยปัญญาทางโลกทางโฆษณาศา ส, า น, าสานาอื่นก็พิมพ์หนังสือแจกศาสนาอื่นเอาเงินจ้างนั่งนัเข้าลทัทธิที่ไม่ปาถนาดีต่อบ้านเมืองพิมพ์หนังสือออกมาแจกให้ชาวบ้านราคาไม่ต้องซื้อสักบาทอย่างนี้มันครอบงำกันได้ไ ง, ไง เราจะมามัวนอนรอราษนาตีกองตีโปงให้เขาลงมาอย่างเดียวไม่พอต้องเดินออกไปหาประชาชนเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าบุกเบิกใหม่ๆพระโสณาอุตระต้องเดินทางมาประเทศไทยโดยชนิดที่ว่าไม่มีเครื่องบินในสมัยนั้นจึงเผยแผ่ศาสนาพุทธได้ถึงขนาดนั้นประเทศอินเดียก็หมดาศาสนาเมื่อพศ พ, พันกว่ากว่าเพราะมัวนอนรออารารนาลึงตะา เทศในชาวบ้านเชื่อหลงไหลงมงายโดยไม่สร้างสติปัญญาแก่เขานักบวชนอกศาสนาสังฆราจารย์กันเลยเข้ามาบวชในศาสนาพุทธศึกษาดีๆแล้วก็ปูยี่ปูยำ ยัดไส้คําสอนเป็นพุทธศาสนาก็ลายเป็นพราหมสอนเรื่องนบสเดาะเคาะต่ออายุรนนดน้ํามนพ้นน้ํามันสัตมอมเสกาบานทําเครื่องรางของขันหนังทางในเส ย, ยาศาสตร์เป็นหมอกันลูกขบสอนหมอเสกหมอเป่าหมออยู่มอยานี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเข้าไปตรงนั่นคนมีความเชื่ออยู่แล้วก็เลยเชื่อไปใหญ่ในที่สุดการครอบงาทางสติปัญญาที่ผิดก็เกิดขึ้นจิตใจชาวอินเดียก็เลยไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาะ ต่อมาก็เลยกลายเป็นพุทธเป็นพรามเป็นพุทธปนพามณคือฮินดูหลังจากนั้นมันก็เลยหมดศาสนาพุทธเอาเลยเอาดื้อเพราะการถูกครอบงำเจ๊งเอาไว้ง่ายเมืองไทยมีโอกาสที่จะถูกครอบงำยนนี้เขาถูกครอบงำทางวัตถุนิยมต่อมาก็จะถูกครอบงำทางคําสั่งสอนทางพุทธศาสนาอันไหนพระพุทธเจ้าไม่สอนเขาจะเอามายัดใส่ปากพระพุทธเจ้าดูกวรวมที่สุดตั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว กองศึกของพวกกัตสิย์ทหะชื่ออ่านกะเมื่อกองเก่าไม้เก่ามันผุมันลิ่งลงเขาเอาไม้ใหม่ต่อกลิ่มเข้าไปต่อกลิ่มเข้าไปนานๆข้าเนื้อไม้เก่าหมดไปเนื้อใหม่เกิดขึ้นเป็นเนื้องง่ฉันได้ทําวินัยของเราตระาคตในอนาคตตการนู้นสิ่งใดเราไม่ได้พูดเราจะมาว่าเราพูดเพื่อประโยชน์ผลประโยชน์ของตนเองส่วนสิ่งที่เราพูดเขาไม่เอามาสอนเยเตสศตันตาคัมบีราคัมภีรัฐาพุทธ อคำภีราตถาคตภาธิตากัมตีระถ า, าโลกุตลาสุญญาตปฏิสังยุตาพระสูตรอันใดอันเป็นเรื่องลึกซึ้งคําสั่งสอนของเราตถาคตเป็นเรื่องกว้างขวางเป็นเรื่องอยู่เนื้อโลบเป็นเรื่องประกอบไปด้วยความว่างความไม่ยึดมั่นถึงมั่นเมื่อมีใครมาพูดเขาจะไม่สนใจเขาจะสนใจแต่เรื่องใหม่ๆที่สาวกรุ่นใหม่แต่งขึ้นมาพูดเพื่อเอาเอกเอาใจกันนะกระดิกขจขังกล่าวไว้อย่างเฉย เพราะนั่นการข้อมูลทางศีลปัญญาจึงเป็นภัยอันใหญ่หลวงอ่าได้มาจึงบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องวัดเคลื่อนที่เหมือนอำเภอเคลื่อนที่เหมือนแพทย์เคลื่อนที่ไม่ต้องรอคําสั่งจากเทราสมาคมไม่ต้องรอคําสั่งจากทางจังหวัดทางอำเภอที่ไหนสั่งจากพระพุทธเจ้ามาเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าท่านสั่งเจริญธาติคเวจารีกังพะหุชนหิตายะพะหุชนโสขายะ โลกานุกรัรมปายอัาทายาหิตายะสุขายะมาเอเกนะทเวขมจิทะผมมาเจออย่างประกาเสทะเนี่ยพระพุทธเจา้าท่านบอกดูว่ามิตรสังไรเตอร์ตังหลายจงเที่ยวจารกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเกื้อกูลแกมหาชนเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทว ด, ดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันถึงสองคนเพราะพระเรามีน้อยจงไปประกาศผมมจันทร์ คือวิธีทางการดำเนินชีวิตอันประเสริฐให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทัม้งอัตถะทั้งประยันชนะจงไปสแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องตอนในธรรมกลางที่สุดพูดในฟังทมให้ดูอยู่ให้เห็นทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเวลาจะตายก็เน้นอีกอย่างนี้เราก็ต้องทานี่คือหน้าที่ ไม่ต้องรอคําสั่งจากทางเทสะามาคมก็ได้ไป่ต้อรอคําสั่งจากกรมการาศาสนาก็ได้เมื่อได้มาพูดอย่างนี้ก็คิดว่าถ้าจะจัดที่บ้านเรานั้นไม่มีไม่มีผู้สนับสนุนเท่าที่ควรดอกชาวบ้านเราก็ยากจนถ้าเกิดใครมาบวชชีพัมเป็นเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบไปไม่รอดเนี่ยซึ่งปีก่อนๆเคยบวชเนนภาคฤดูร้อนขนาดทางการมาช่วยเราก็ยังเกือบไม่ไหวป้อแป้กันเต็มที่ ก็เลยคิดว่าเาใครปาธนาจะยกวัดเคลื่อนที่พระเรามียี่สิบสามสิบไปให้หมดในที่สุดก็ผลปรากฏว่าอำเภอบ้านแพงใจก้าัตว์ก่อนเขาเลยบ้านเหล่าส้มปล่อยการตรงนู้นไฟฟ้าก็ไม่มีอาจจะมาไปพาพระเนรไปยี่สิบสามสิบรูปประชาชนก็มีมาบวชีพามีพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านมองเห็นความต่วงกันท่านก็มาร่วมเราก็พากันทา ตีสามตื่นพานั่งสมาธิถึงตีห้าไม่ต้องพูดกันมากตอนนี้จงหาทําแล้วสองชั่วโมงหลังจากนั้นก็อบรมเรื่องสมาธิภาวนาจากนั้นก็พาสวดมนต์แปลไปตามสูตรต่างๆจนจบหลังจากนั้นโยมมาใ ส, าบาาสาบา่บาตมาใสบาตรับบิณฑบาตแล้วก็เทศให้ฟังเสก่อนก่อนจะฉันเมื่อเทได้ฟังอบรมชาวบ้านแล้วเราก็พากันฉันพัวคีมมาบวชชีพรมมาเป็น ผู้สนใจการปฏิบัติก็ต้องมีกระมังพลาสติกมาใส่อาหารกินในบานเหมือนกับพระเลิกสูบบุหรี่เลิกเกี้ยวหมากพระสงฆงองค์เจ้าก็ทำตัวง่ายๆฉันเวลาเดียวฉันในบาตไม่ต้องมีข้าวต้งข้าวต้มที่จัดกันที่อื่นเช้ามาต้องยังไม่สว่างแย่งกันมาแจกข้าวต้มพระสงฆงองค์เจ้าทั้งชาวบ้านเป็นพันธ้กินข้าวต้มไปคนละถ้วยสองถ้วยก็ฟาดไปสองพันถ้วย ไปล้างอีกหมดน้ําไปหลายร้อยลิตรแล้วมือจะเป็นขี้หิมพอล้างถ้วยทําอาหารก่อนลำบากอยู่แล้วมืึอกินเข้ามากๆอีกน้อยก็กินชั้นอาหารดินธบัติเอกนักปฏิบัติก็เลยไปต้องมีจะไปกินร้านเกนั้นก็มานั่งว่วงนอนเอาจูงอ้ามหนาบต้องทําตัวให้เขาเลี้ยงไ ง, ไง่ายๆอาจารย์มาคิดอย่างนี้ก็พากันไปทําดูปากฏว่าชาวบ้านประบายไก่ ไม่ต้องตั้งตูวบริจาคเรืรอยอะไรหรอกมีแต่อบรมธรรมะกลางวันอบรมให้แก่ชาวบา้านนักเรียนครูบาอาจารย์สนใจมากลางคืนตอนบ่ายบ่ายสามโมงถึงห้าโมงหาหนั่งสมาธิป้าก็ว่าได้ผล4สี่ห้าวันไม่ได้ซ้อนงมงายไรเหตุผลอะไรวันืุดท้ายบอกจะสะดกข้อให้แล้วก็บอกว่าจะรดน้ำมันให้ทำลาบาสีให้บอกเลขให้โอ้โหมากันเต้ จะไม่มีที่จะไว้เราก็เทรเรื่องสะดอกเคาะเคาะคืออะไรเคาะไม่ดีนั่นมันเกิดที่ใจไม่ได้อยู่ที่เสาบ้านไม่ได้อยู่ที่บันไดบ้านมันอยู่ที่จิตใจของเจ้าของบ้านคิดชั่วพูชั่วทําชั่วเมื่อไรแล้วมันเป็นเคาะเมื่อนั่นคิดดีทําดีพูดดีเมื่อไหรแล้วมันก็จะโชคนี้สะดอกเคาะเมื่อนั่น เราก็เทศต่อไปทำราบาสีสู่ขวัญให้ขวัญคืออะไรขวัญคือพลังจิตคือพลังใจอยากจะให้มีขวัญก็ต้องทำใจให้มีสมาธิมั่นใจในการดำเนินชีวิตอันทุกต้องดีงามของตนเองอาตมามาพานั่งสมาธิวันละสี่ชัวมม่วโมงนี่แหละยอดแห่งการสู่ขวัญไม่ต้องตีตีตีตีประพอ้อดบ่อนเวลาวิเศษสติเรดดัมเดโตตัยมังกลามหฮาตยมังเกลเสัตเตเพียงอโค ขวัญบอลลัมตกแต่งแล้วให้ลูกแก้วออกกินเมืองฤทธิ์ที่เฮืองทะลงแทน่นมือดีแมนมหาคุณคุณเดนดาตกแต่งแล้วให้ลูกแก้วกิ่งลงมาเป็นราชเสดบจสางเมืองมิ่งกว่างนาครองวันในปองเป็นโจกสิทธิโยกลำไม่ต้องพูดอันนั้นว่าเอาเฉยๆขวัญแปลว่ากําลังใจไปว่าพลังจิตคนโบราณออกลูกไหม่ก็สูขขขส่ขวัญไปครับได้คายใหม่สู่ขวัญกลับมาใหม่สูขขส่ขวัญไข้หายใหม่ใหม่สู่ขวัญสู้ขวัญก็หมายความว่า สร้างพลังจิตพลังใจให้มีพลังใจพลังจิตมีอํานาจสมาธิที่จะนําจิตใจให้มันมีคุณภาพมีสมรรถภาพมีประสิท ธ, ธิภาพสะอาดสว่างสงบเป็ดา้าเลเรียนเลเซอร์ขึ้นมาในใจิตในใจให้มันอบอุ่นให้มันมั่นใจในการเป็นอยู่นี่เราไม่ต้องไปสร้างอุบายอย่างนั้นก็ได้ สร้างมาเกิดมาเลยล้อมจิตลงไปที่สมาธินิมิตอันใดอันหนึ่งจนจิตรวมกันเป็นกําลังเหมือนไฟฉายอยากจะเห็นตรงไหนก็ฉายมันไปอย่างนี้เรียกว่าสู่วันเรียบร้อยรถน้ํามนแล้วก็ว่าให้ฟังก่อนสมัยพุทธเจ้าก็มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ประเทศอินเดียแม่น้ํำคงคาที่เมืองล่ะที่เมืองลาหบ้านในเ ม, อาาเมืองเบนาลีธพาลนานสีเขาไปอาบน้ํามนเข้าไปอาบน้ําศักดิ์สิทธ พระพุทธเจ้าบอกว่าเต่าปูปลามันนอนอยู่นั่นทุกวันมันไม่ขึ้นสวรรค์หมดเลหรือท่าน้ําศักดิ์สิทธิ์ได้น้ำกองคาญมุนาสรปูอจีระบารีทั้งเราซ่อนต่อไปทำมันล้างบาปได้บังก็ต้องล้างบุญไปได้น้ําผีบ้านเหล่านั้นทันอย่าไปอาบมันเลยหน้าหนาวมันจะหนาวสันเปรียบค่าเฉยๆมาอาบน้ำเลยทำวินัยของเราไม่ต้องหนาวมาประพฤติดีประพฤติชอบเกิดกายวาจาใจในคํำต่างๆของเรายี่ยอดน้ํามนต์น้ําอยู่ที่บ้านในตู้หมองท่านนี่เป็นยอดน้ํามนต์แล้ว เอาเหือนั่นเป็นน้ำมนต์ล้างกิเลสทำงานทำการอย่ามาลดน้ำมนต์ให้พระเอาเงินหลอกลวงอยู่เฉยๆเลย ส, ยสบายๆจงรดน้ำทำวิในจัดระบบชีวิตระเบียบสังคมของตนเองให้มันถูกต้องทุกขั้นตอนวิวัฒนาการแห่งชีวิต ไม่ต้องมาให้ภาพมาสวด ส, สีน้ําอันนี้เซวันน้ําคงคาไล่มาจากปากงัวโอุโซพลาดตัวกะและมาจากปากนาอาชนัยนาที่ยันตีบริบบบกเป็นหาดประกาดเป็นวังสภากลังยังเต็มอยู่ทุกเมียหยาิขี้เทียนลงไปในน้ำแจ๊แจ๊ดแต๊ดเป็จแล้วก็ามาลดประพมหัวาวุยันตัวพวติยามูเลเอาเงินมาเสร็จเรียบร้อยจิบหายววยวอดกัน พระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ไปให้รถน้ำมนต์อย่างนั้นนี่นายวาพารธวาชะและวาเศถษฐะเที่ยงกันจะตีปากกันตายเรื่องน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อถามพระพุทธเจ้าพระพุทธาเลก็ถามคืนอ้าวน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่แม่น้ำคงคามีเต่าปูปลากลุ้งหอยไหมสองคนนูกว่ามีเยอะแยะไปหมด ถ้าเตาโกงอ้อมันอยู่ตรงนั้นมัอนนอนแช่เยิ้งทั้งปีทั้งชาติมันไม่ขึ้นสวรรค์หมดก่าเราแล้วแหละลือมันก็ตายเป็นมันก็มีพยาตาขาดเดียวนี้ทั้งเดีปลารลดเอียนกัยังมีพญาตาขันเอาน้ํามยังมาเป็นศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้ารกรถามต่อไปทํามันล้างบาปไปได้มันก็ล้างบุญของท่านไปด้วยเหมือนกันท่านจงมาอาบน้นนําในธรรมวินญาณของเรานี่แน่เทอย่างนี้การลดน้ําก็เสร็จไปบอกเลก หม่ให้คนหูตั้งมาเลยบอกอาจารย์หมวพ่ออย่าบอกเลขในวันสุดทา้ายหลังไล่กันมาสาลาไม่พออยู่ในเทศต่อไปเราเป็นชาวพุทธพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจม่มใสลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะซื้อเลขต้องรู้เลขต้องซื้อให้บรรทุกไม่ต้องซื้อให้บรรจิบหายไม่ต้องซื้อให้เขามาโกงถูกหน่อยเขาอ่อยให้ยาใจเถื่อไลยเขาเจ้งไปฟ้องถูกจับไปด้วยกันอยากจะถูกเลขเราต้องซื้อเลขแบบชาวพุทธให้บรรทุกทุกเงื่อ ทำยังไงอะไมาก็ถามว่าพวกท่านใจถึงสักขนาดไหนเขาบอกว่าถ้าเจ๋งๆตัวละพันตัวละหมื่นก็ซื้อได้พ่ายอย่างนั้นรวยทันทีเป็นนี่เกษตรทหกรณ์ไม่ต้องห่วงซื้อเลขให้เป็นถูกตามแบบพระพุทธเจ้านูน่นไปให้เขาเชื่อมให้ร้านร้านเชื่อมโลหะล้านลงกึงอะไรต่างๆเขาเชื่อมเห ล, ล็กเอาเหล็กแผนๆมาเชื่อมเป็นตู้แบบรูปบริจาคสี่เหลี่ยม แล้วก็เจาะรูเข้าพอเอาเงินเอาทองหยาดใส่ได้อาจารย์ไหนเดียวมาหลวงพ่อก่อยหลวงพ่อจ่อยหลวงพอดีอยู่ถ้าไหนภูไหนเดียวมาตัวไหนดีๆซื้อลงไปเขียนเลขลงไปเลยชอบตัวไหนเขียนแล้วก็ยอดลงไปในตู้เหล็กที่เราไปให้เขาเชื่อมเขาออกมายอดตัวเลขลงไปเขียนแต่กระดานแล้วก็ยอดเงินลงไปซื้อห้าพันห้ามืนก็ยอดลงไปในนั้น่อลลงไปในตู้นั้นย่อดลงไปในตู้นั้น มวดใหม่มกระซื้ออีกย่อนลงในนั้นถึงเวลาจะใช้ดี้กษตริฐสาธารกรแล้วนะถึงนัดแล้วเอาเลือดตัดเหล็กมาตัดออกเงินเต็มอยู่ในนั้นทั้งเหล็กทั้งเงินไม่ได้หายไปไหนทูกทุกโวดไม่มีใครโกงอย่างนี้สบายเลยว่าซื้อเลขให้มันทุกไอซื้อแบบอื่นอาจารย์อื่นเขาไม่บอกอย่างนี้เขาไม่รักโยมเท่าอดามาดอก มาสิบคนบอกสิบอย่างมาร้อยคนบอกร้อยอย่างไม่ถูกคนหนึ่งมันก็ถูกคนหนึ่งดีไม่ดีมีรถเก๋งขี่แจกซองไปเลยงวดหนึ่งแจกยี่สิบห้าซองซองละสี่ตัวให้อำเภอละซองยี่สิบห้าซองก็พอดีหนึ่งร้อยพอหวยออกก็ไปยามใส่บนไหนมันเถื่อบาทนี่ฮึอึฮึฮึฮึ่งฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึาึฮึฮึฮึฮ่ฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ ชอบตัวไหนเขียนไปย้อนลงไปเอาเงินย้อนลงไปสองร้อยสามร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งบาทย้อนลงไปชอบตัวไหนถึงเวลาจําเป็นแล้วก็เอาเลื่อยตะเหล็กมาตัดออกเงินกองอยู่ในนั้นกองอาญะกองอ ว, วกห่วงอยู่ขันถือคู่ ว, วดไม่ไปไหนนี่ซื้อเลขแบบชาวพุทธกา ร, ารปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่รู้สึกแกได้ผลคนสนใจอามากๆเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาให้อีกแล้ว อำเภอวันนอนก็ลองไปทำเดียวนี้มุกดาหารเอาถ้าใครสนใจก็ไปได้อําเภอนิคมคำส้อยมุกดาหารตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่แปดปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่ของอดมาที่นั่นพระสงฆ์องเจ้าไปหมดโยมทั้งนนทนเข้ารถมารับเองที่ไหนจัดเข้ารถมารับเองคนจะบวชชีพาวงานนี้ไม่น้อยกว่าสี่ห้าร้อยคนมาหมดเลยทั้งแถวอุบนบ้าง แถวเรงนกกราอำนา จ, จเจริญพนาแล้วก็มาทางนี้ทางนิคมคำส้อยทางมกดาหารดอนตานถ้าพอจะรู้ทางคำเชียได้ทราบว่าเตรียมตัวจะมากันเยอะเลยสถานที่ก่อนดีอีกด้วยวัดป่านโนนกระเสร์มริมอ่างห้วยขี้เหล็กเป็นอันว่าปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่เราจะมีเวลาให้ไหมเท่านั้นประชาชนยังให้ความสนใจมาก ภาประชาชนอบรมสมาธิภาวนาเทศให้ฟังให้รู้จักสมาธิิเพื่อปดชนวนระเบิดที่ถูกครอบงำทางสติปัญญาอย่างนี้เอาละวันนี้ในการพูดโดยเนื่องมาจากวัดเคลื่อนที่เมื่อจากมาแล้วหางวิทยุกอเทศเออกไปบางเดียวนี้จดหมายหลังหลากไหลกันมาเยอะแยะไม่มีโอกาสจะตอบไม่รู้จะตอบยังไงไหวก็ขอ คือโอกาสนี้ตอบจดหมายด้วยเหมือนกันมีจดหมายบางฉบับที่ส่งมาจากควันหลงของปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่มีส่งมาแล้วก็เลยขอถือโอกาสตอบบอกว่าหลังจากที่ท่านได้ไปอยู่พาไปปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่นั้นเท่าที่ผ่านมาเสียงทำและเสียงสวดมนต์อย่างก้องกังวานอยู่ในโสตประส่าของผมอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนเย็น สิเจ็ดสิบแปดมองลตอนเช้าตรู่ตีสามตีสี่ยังป้กกดอยู่ที่นั่นตลอดเวลาเมื่อท่านจากไปแล้วดูอะไรมันช่างเงียบเหงาเสลกเกินแม้ท่านอาจารย์ครับท่านไปส่องประทีปด้วยเสียงคำขององค์ตมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าช่างประทับใจของหมู่มวลมนุษย์ที่แสนยากลำบากในป่าในดงให้เกิดความสานึกทางจิตใจวิญญาณ น, นับได้ว่ากรผมเป็นผู้ที่มีโชคลาภอันประเสริฐ แท้ที่ยังมีสภาตาสาพะในคำส่อนของพระตถาคตเจ้าแต่เพียงสำนึกเท่านั้นเลยครับส่วนที่จะทำได้จริงๆและเด็ดขาดนั้นยังเป็นไปไม่ได้เพราะกรรมนั้นยังให้ผลอยู่ที่จะหนีออกจากบ่วงแห่งมารคือกิเลสกรรมและวัตถุ ก, กรรมยังผูกพันไวเหมือนโซ่ที่ผูกคล้องบุญชรไวเฉะนั้นเอาล่ะถึงยางไรก็าตามแต่ผมจะพยายามฝึกตัวเองไปอยู่อย่างนี้ เพื่อกำไรจะได้ไม่ขาดทุนในข่าวหน้าและกระผมยังดีใจอยู่มากที่มีพระสุปฏิปโนชุปฏิปโนยายปฏิปโนสามีจิปตปปิ ป, ป, ปโนเป็นผู้ให้แสงธรรมแสงเทียนสองทางคงจะเป็นเพราะบุเพกะตะปุญญาตาในอดีตทรงให้ได้พบท่านแต่กระผมน่าเสียดายเพราะเวลามันน้อยนิดนับแต่กระผมเกิดมายังไม่เคยพบพระอย่างท่านนี้เลยแม่ยอมายกใหญ่เลยอันนี้เป็นจดหมายควันหลง ตามมาหลังจากปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่จากเหล่าส้มปลอยอำเภอบ้านแพงกระผมมาพิจารณาด้วยหลักสังโยติสิบรู้ว่าท่านคงจะพ้นไปจากสกฤติทิฏฐิวิจิกิจชารสีละพัตต์ปามาเดชขาดแล้วนะครับเอาแล้วไปใหญ่เลยโยมขออภัยนะไม่ต้องมาตั้งตําแหน่งแห่งที่ให้กับอาตมาว่าเป็นพระอริยะเจ้านะ่ะอายไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องก็ได้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปฏิเวทมันเป็น เรื่องที่จะต้องเห็นด้วยตนเองเรียกว่าปัจจัดตังตั้งให้กันไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็มีการอรหันพระอริยะแต่งตั้งแต่งตั้งให้กันลงในหนังสือในหนังสือแมก็กกาซินโฆษณาพระอริยะองค์โน่นพระอริยะองค์นี้พระอรหันอยู่โ น, น่นกลายเป็นอรหุนไปหมดแล้วนางนเข้าบางแห่งไม่มีใครแต่งตั้งตั้งมันซะเองเลยโฆษณาเปเองมาโซดาบันผ่านเรีวสกิทาคามีผ่านเลว้ยงนางนเข้าก็จะเป็นพระ อันนาคาเป็นพระอาหารหันต์ตั้งเองโฆษณาเองพิมพ์หนังสือมาเองมันจำมากไปแล้วดิพิทเปล ป, ปวนอายุยืนเง่ามันหลายปีเห็นหลักมาพองูเถกหน่วงหางเกี่ยวกอดนูเดินเจียงขึ้นหนาวลมโบกมื่อเดินมีสั้งเหล่าหอดเดือนหนาวเดินหาผัดเตาหนาวอีพอใหญ่เอ้ยอยู่ดีๆคล้องกอ ง, อ, งอั ป, ปี๊ยใครไม่ตีดังเองโฆษณาว่าเป็นพระอริยะโสดาบันสกิทาคามีเห็นมาเยอะลงหนังสือมาเองพูดมาเองก็มี และอีกประการหนึ่งก็คนอื่นแต่งตั้งมีโยมกำลังจะตั้งให้อัตมาแล้วนะเนี่ยท้าหมดสกัญญาที่ตวิจิกิชา์ติพรพัตปานามาตมันเป็นโสดาบาันไปแล้วขออภัยจะไปตั้งชื่อให้มันการปฏิบัติของพวกเรานั้นจงรู้ได้เฉพาะตัวความทุกข์ลดลงเท่าไหร่นั่นคือการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้ามันลดลงหมดร้อยเปอร์เซนจนไม่มีทุกข์เหลือมันก็เป็นอันโตทุกขษาอันตกักอีิยายะ พระพุทธเจ้าไม่เคยบอกมาท่านตั้งหลายจงมาบวชมาประพุทธทำเพื่อเป็นพระโสดาบันเพื่อเป็นสักการาคาเพื่ออนางคาเพื่ออรหรันท่านไม่เคยพูดในผู้ริฮิภิคุประสัมพทาอันโตทุกสะอันตะกิรายายะมาเถอดท่านจงเป็นภิกษุมาเถอดพมาจารยานกจริญญาอันโตทุกตะอันตะกิรายายะจงมาประพฤติพมาจารย์นี้เพื่อกระทําที่ส่วนแห่งทุกถ้าความทุกข์ลดลงได้เท่าไหร่นั่นแหละคือการปฏิบัติที่ถูกต้องความทุกข์ทางจิตนะลงยึดมันถึงมันเอาล่ะ ขอให้ยอมเข้าใจอย่ามาตั้งให้อัตมาเป็นอะไรเลยท่านอาจารย์เก้ากับผมจะพูดอะไรกับท่านดีไม่มีอะไรถ้าจะพูดมากกว่าท่านจะลำบากนอกจากขอกร า, ราบลาธรรมนิมนต์ให้ท่านเทศออกอากาศทางวิทยุเก้าส่วนเก้าไปเรื่อยๆนะครับขอให้ท่านออกอากาศให้ด้วยในปัญหาที่ผมเรียนปรึกษาและถามมาดอนนี้โอเคกําลังออกให้เรื่องทําไมทางพุทธศาสนาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยกรมการ ศาสนาร่วมกับทรงศึกษาที่การไม่คัดเลือกพระสงฆ์ที่ประพฤติ ด, ดีประพฤติชอบมีความรู้ความสามารถในการบรรยายทําออกเผยแพร่พร้อมดังให้อุปกรณ์ในการเผยแพร่เช่นภาพยนตนวิดีโอเทปเครื่องฉายร่วมกับอนุสาสนาจา ร, รย์ในท้องถิ่นและจะพิมพ์หนังสือธรรมะเรื่องง่ายๆอันไม่ประกอบด้วยเดรัจฉานวิชาให้แก่ประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งถูกต้องทําไมจึงทรงเพียงแต่งตั้งยศตําแหน่งเท่านั้นทํำไมไม่ทรงแต่ง ท่านยกย่องให้เกียรติแก่พระหรือโยมผู้กล้าพูดความจริงทำจริงข้อนี้เป็นขไหนแล้วครับอ๋อแสดงว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจของโยม ก, กว้างขวางพอที่จะวิจงวิจารณ์สังวขอบเอาละโยมเอ้ยโลกเป็นอย่างนี้โลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณทําชั่วอายุ ข, ขัยของโลกแก่ต้องมีทั้ง่วคและเกลอทั้งคนดีกแลนชั่วสับสนปนเปกันไป ศาสนาพระเจ้าองมประเสริฐสัพนุลั่างเดบุกล่างตเต็มอย่างพระจันญอยู่ทั้งฟ้าบางครั้งมันก็คอดกิวเสื่อมลงบางครั้งก็เจริญเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่หญอยู่เฉยๆทางเทะสะมาคมวดีคมการศาสนก็ดีกระกทรวงศึกษาธิการก็ดีก็ได้คัดเลือกพระสงฆ์องค์เจ้าประพฤติดีประพฤติอชอบอบรมมีการอบรมธรรมะถอกธรรมะทูดมีธรรมะทูดสันจรมีอะไรต่ออะไรอยู่อาจจะมาได้ทราบว่ามีผ้าไปอบรมกันอยู่เยอะเหมือนกัน ยกเว้นอาตมาเป็นคนป่าคนเยิงอยู่ในป่าในเขาไม่ได้ถูกคัดเลือกเข้าไปร่วมเท่านั้นเองเพราะเขาอย่างไม่รู้ถึงอย่างไรก็ดำไม่คัดเลือกเราก็ทํางานอยู่หนังสือธรรมะเรื่องง่ายๆไม่ประกอบด้วยเรียชันวิชาก็มีเยอะเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนโมกขพะ ล, ลาภมูนิธิข้อธรรมทานของท่านอาจารย์พุทธทาส น, นั่นชายาสุราธานีแล้วก็มีหลายแห่งที่พิมพ์หนังสือแม้แต่ที่วัดอาตมานี่ก็อยากจะพิมพ์เหมือนกัน เดี๋ยวนี้ตั้งใจว่าจะพิมพ์หนังสือแจกให้มันง่ายๆเป็นการเวนคืนให้แก่สังคมส่วนที่เราได้มาแต่ก็ยังขาดไม่มีทุนที่จะพิมพ์เท่าที่ควรเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไม่บอกเลขไม่บอกหัวไม่บอกเดรัจฉานวิชาเงินนี่จะหายากที่สุดเพราะเรื่องนั้นให้ไสไหลออกมากองก็ทําไม่ได้สําหรับลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะต้องเอามันด้วยความบริสุทธิ์เมื่อไม่มีเราก็ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวนี้ที่ท่านมีท่านพิมพ์หนังสือแจกจ่ายความรู้ความเข้าใจก็เยอะ แต่ส่วนศึกษาไม่ได้ดูดายกรมการศาสนาไม่ได้ดูดายยังจัดมีการอบรมมีการเคลื่อนไหวมีกิจกรรมเพื่อพระศาสนากันอยู่นายกพุทธสมาคมต่างๆแม้ที่วัอดอารมาเนี่เมื่อประมาณสักสิบวันนี้ก็มีคณะพุทธสมาคมมาฟังเทศกันอยู่ก็เป็นอะไว่าคงจะเป็นไปได้ในสิ่งที่ดีหรืออาจจะเลวร้ายก็ได้มันแล้วแต่เหตแต่ปัจจัยปัญหาของโยมก็คงตอบได้เพียงเท่านี้ เพราะอาดมาก็ไม่มีพิสิทธิ์อีดีิพลอำนาจโอกาสในการบริหารอะไรสองในสถานศึกษาที่ว่าเป็นสถาบันหนึ่งของชาติแต่ดูดูแล้วมีแต่การศึกษาไปนในทางโลกโลกวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์อักษราศาสตร์คณิตศาสตร์ต่างๆเยอะแยะแต่ย่อนอยู่คือศีลธรรมถึงแม้จะมีน้อยแต่ครูเพราะครูบาอาจารย์ในสถานศึกษาเช่นโรงเรียนไม่สนใจเลยในด้านนี้เพิ่งเห็นในวันสําคัญเช่นวันมาฆวิสาขาอาสาลหะเป็นต้น ครูอาจารย์ควรเป็นตัวอย่างแต่นี่กับตรงกันข้าม ว, วันต้องคันเล่นการพนานดื่มเหล้าเสียอีกดูแล้วน่านทุเลศว่าจบปริญญาสาขาต่างๆมาได้อย่างไรเมื่อไรจะแก้ไขปรับปรุงเลยครับอันนี้ก็ดังเก่าแล้วเดี๋ยวนี้ความจเจริญทางโลกมากมันจเจริญมากมีไฟจ้าในกิตใจปัญญาชนสมัยใหม่มีไฟมากจนฟังไฟความรู้ทางโลกท่วมทับศิธลธรรมมันเป็นยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง เมื่อวิ่งไปสุดเวียงแล้วก็จะย่อมกลับมาวัตโกโลโกโร่ย่อมเปลี่ยนแปลงไปผู้ที่ศึกษาทางโลกได้ปริญญาแต่ดูถูกคุณธรรมก็มีเยอะบางคนนะโยอมอย่าไปตีรูป ก, กว่าเพียงเดี๋ยวนี้ถ้าผู้ที่ได้รับศึกษาระดับปริญญาโทรไปปริญญาเอกจะต้องกลับมาติดกับพุทธศาสนาเมืองนอกเขาสอนระดับปริญญาโทรปริญญาเอกปรเชญาในทางพุทธศาสนาทีโอโรชิคันตตะกูลบิวิลิตี้สกูลเนี่ยเขาสอนสาศาสนาพุทธ ในอเมริกาในประเทศต่างๆาศาสนาพุทธกลายเป็นโมเดิร์นอาร์เป็นศิลปะใหม่นักศึกษารุ่นใหม่สนใจมากเมื่อคนไทยไปเรียนเมืองนอกก็จะไปเห็นคุณค่ า, าศาสนาที่นูน่นว่าคนต่างประเทศเขาสนใจตั้งแต่ป ร, ริญญาโทถึงป ร, ริญญาเอกสนใจาศาสนาพุทธในยมนะตั้งแต่ปอสี่ขึ้นไปจนถึงป ร, ริญญาตีนี่ยังมองข้ามพุทธศาสนาเพราะเขายังไม่เป็นป ร, ริญญาแท้ป ร, ริญญา ของโลกที่มีประกาศนิยบัตินั้นเมื่อเปรียบเทียบกับทางพุทธศาสนาของเราแล้วมันไกลกันไม่เห็นฝุ่นนาาโซปัทวียถาไกลหากเหมือนฟ้ากับดินปริญญาโทเอกของเขานั้นก็เป็นเพียงยาตะปริญญาเพียงแต่กำหนดรู้ขอบเขตเฉยๆแต่ยังไม่รู้เบื้องหลังของปรากฏการในทางพุทธศาสนาเมื่อรู้ความจริงการกระทบของอญญายุนตาหูจะบุกลินกาใจ รู้ทุกเมื่อใจคิดรู้ทุกเมื่อความรู้สึกรู้ทุกเมื่ออย่างนี้เรียกว่ายาตัดปัญญาเมื่อรู้เข้ามากๆก็เห็นปรากฏการของความคิดว่าเบื้องหลังของความคิดมีอะไรมี perception มี feeling มีคอน c e p t i o n อะไรต่างๆนี่มีสัญญาเวทนาวิตกเป็นแ f a ตอร์ให้มันคิดก็มารู้สัญญาเวทนาวิตกเหล่านี้รู้ชเข้าไปก็จะเห็นเบื้องหลังของสัญญาเวทนาวิตกคืออานิจังทุกขังอนาจตา เมื่อเมื่อรู้แฟกเตอร์นี้ก็กลายเป็นตีรนะนาบปริญญาคือกําหนดด้วยการที่นาลงไปต่อมาเมื่อเห็นอา น, นิจังทุกครั้งอนาตามันก็เกิดปหานะปริญญาละเลยไม่แบกไม่รับสิ่งใดเลยเดี๋ยวนี้จบปริญญาอยู่มันก็เลิกเล่าเลิ ก, ลกบุหรีไม่ได้นั่นยังไม่ติดฝุ่นของศาตานนเลยปริญญาเกะปริญญากิกกอกอัศจรรย์ใจแขหางเงาๆทั้งบัไดห้องนัง่งบบกระตายหางกล่อมๆทั้งบันได ห, นห้องก็ยังช่วยกันไม่ได้ก็ก็ต้องว่ากันต่อไป ข้อที่สามราช ก, การคณะสงฆ์นัดพระสังขาริการเจ้าอาวาสจากคณะธรบุญไปประชุมอำเภอจังหวัดบางครั้งเงินไม่มีค่ารถข่าเรือท้ายกอุบาสกอุบาสิการประชุมกันออกให้พอประชุมเสร็จแล้วเลิกกลับสำนักของตนไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาบริหารลักษณะไหนอย่างไรไม่มีเลยเงียบซ้ำมีจะแผลเรี่อยๆเอาเงินยากชาวบ้านไปสร้สางโบสถ์สร้างวิหารบ้างเป็นรูนการศึกษาของพระเนนบ้างก็ยังจะเป็นส่วนดี เรื่องการพัฒนาจิตใจอารมณ์ไม่เห็นเลยข้อนี้น่าคิดนะครับใครเล่าจะแก้ไขเพราะเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเฝ้าแต่วัดพัฒนาแต่ส่วนต้นต่อไปจะไม่แยกเลยครับเอาล่ะเป็นอันว่าโ ย, ยมก็มองกว้างเหมือนกันไปอบร ม, รรมทำ ม, มาทูดมามาถึงก็ามาเป็นนอนทูดคือทดดูดตะไปว่าผู้บอกข่าวทำมาทูดผู้บอกข่าวแห่งธรรมไปมาเพื่อจะเผยแผ่กลับมานอนแผ่แต่องค์ที่ท่านทําอยู่ก็มีนะโยมนะอย่าตีรูดกว่าเพียง บางองค์ท่านทำงานจนไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนนอกจากหลับนอนตื่นขึ้นมีการหายใจเป็นงานเลยก็มี อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเอกแหละโยมอย่าน้อยออกน้อยใจไปเลยสักวันหนึ่งจะถึงจุดอิ่มตัวในการสร้างโบสถ์สร้างวิหารเมื่อก่อนเราถือว่าสร้างศาลาได้บุญมากเพราะโรงเรียนอยู่ในวัดอะไรอยู่ในวัดวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นสถานสารอาญาต่เดี๋ยวนี้บทบาทเหล่านั้นหมดไปโรงแรมออกนอกวัดโรงเรียนออกนอกวัดโรงพยาบาลออกนอกวัดสารอาญาออกนอกวัดวัดไม่มีบทบาทสร้างเงื่อนไขใหม่สร้างโบสถ์ดีกว่าได้บุญได้กุศลเยอะ โยมผู้หวังบุญหวังกุศลมีเงินมีทองก็สร้างโบสถ์ในที่สุดหน้าพรรษาลงอุโบสถกันออกพรรษาอีกเก้าเดือนปล่อยให้นกพิราบเป็นเจ้าของโบสถ์ก็วาดมันไปวันหนึ่งเธอโยมความเข้าใจจะเกิดขึ้นถ้าหากเราช่วยกันสอนช่วยกันพูดช่วยกันทําอย่างนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นก็เป็นอันว่าปัญหาของโยมมีเท่านี้ใครเล่าจะแก้ไขต่อไปไม่แย่เลยครับมันก็แย่ถ้าทำอย่างนี้ แต่อย่าเพิ่งมองในแง่ร้ายจนเกินไปแง่ดีมันจะเกิดขึ้นถ้าเราช่วยกันเยทํามาเหตุปภปวาสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเราสามารถจะจัดเหตุจัดปัจจัยใหม่ก็ได้อันนี้ผ่านไปนะสำหรับโยมบ้านเราต้องปล่อยที่ทำมาคุณโยมพิทยาบุญพุทธกังต่อมามีจดหมายที่น่าสงสารคนหนึ่งก็คือคุณโยมเสนออุปพงเมืองสกลนครเล่าเรื่องตนเองมาขอสมัครเป็นลูกศิษย์ลูกหาโอเคไม่เป็นไร คุณยมเสนอน่าสงสารมากบอกว่าฟังธรรมะเป็นประจำๆเรียนจบมหกจากสกุลราชวิทยาไปสอบครูได้ที่อุบลแต่เสร็จแล้วมีโรคประจำตัวไม่สามารถจะเรียนต่อได้เป็นโรคลมชักว่ายอย่างนี้โยมเอ้ยพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยกล่าวไว้โรคบางชนิดเกิดมาจากลมเป็นสมุดฐานจากดีเป็นสมุดฐาน เกิดมาจากเสมหาเป็นสมุดฐานโลกบางชนิดเกิดมาจากบริการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอเกิดมาจากอุตุจากอากาศแต่โลกบางชนิดเกิดมาจากกรรมเป็นสมุดฐานพระพุทธเจ้านั้นเคยพูดโยมเอ๋ยคิดเสว่าเป็นกรรมของเราเพียงแต่ร่างกายพิการอย่าให้จิตใจพิก่อนคนง่อยคนเปี้ยคนเป็นโลกตาเกเลื่อนคนเป็นเรื่อนสามารถบรรลุธรรมโสดาบันได้เป็นพ่อรหรัรก็อย่างมี ในสมัยพู้ตกาโน้นสู่พุทธพัทธะคนโลกเรกืนได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าดั่งใจจะไปขอทานได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระโสดาบันพระอินมาลองใจเอาเงินมาจ้างว่าคุณจะไปฟังเทศเลยฉันให้เงินเป็นหนึ่งพันกะหาปณะนะเลิกได้แล้วจะไปนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชี้หน้าด่าเลยไปให้ไกลไปให้ไกลันว่าอย่ น, ไนีไปใสหัวไปให้พอนอปเปหิ ไปให้ไกลๆคนนั้นบอกว่าฉันคือพระอินนะเออพระอินเป็นเทวดา ย, ยิ่งไปไกล ๆ, ๆเตๆหีเทวเตเตหีอะไปหีไปให้ไกลใส่ขวบไปให้พ้นเทวดาชาติทั่วเอาเงินมามื่อล้านฉันก็ไม่เอาปทพาเอกรชเชนะสะัสคัคสคามเนนวาสพโรโลกาทิปัเตนะโซตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชในแผ่นดินยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆยิ่งกว่าอาทิตย์ใจใดๆในโลกล่าคือการเข้าถึงกระแสแห่งดำสตรีมอินเทอร์เน็ตโสดาบัตนั้นยิ่งกว่าเสียงใด พอจะนังแกไปอย่ามาว่าจะพันเลยเป็นหมื่นล้านก็ไม่เอานี่คือจิตใจที่เปี่ยมลน้นไม่พิกลเพียงแต่พิกามกายโยมเสนออุปพง์อย่างน้อยอกน้อยใจถ้าคิดว่าชาตินี้ไม่มีเพียงชาติเดียวเมื่อวานนี้อยังมีพรุ่งนี้ก็ยังมีทําไมชาติก่อนจะมีไม่ได้บ้างชาติหน้าจะมีไม่ได้บ้างเราเคยคงเคยได้ทํากรรมมาก่อนมาก พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าดูก่อนวิสุทธังหลายมนุษย์บางคนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวมากเพราะว่าเขาได้ทรมานทรกรรมศัตว์มากเมื่อป่อนโน้นไม่แน่แต่ก่อนเราอาจจะเคยทำอย่างนี้ช่างมันเถอยอมคิดว่าชิดบัญชีกันให้มันเสร็จสิ้นไปรักษาใจไว้ให้ดีๆทำจิตใจให้สะอาดสว่างสงบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาทิภาวานานะโยม สร้างความรู้สึกอันหนึ่งไว้ในใจคือมีสติอยู่ทุกลมหายใจจนมีสติติดอยู่ทุกลมหายใจเหมือนเขาติดหมากติดบุหรี่ติดเล่าไม่ลืมมันเลยเมื่อท่ามีสติอยู่ทุกลมหายใจแล้วก็จะรู้จักความคิดตนเองรู้จักอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นซ้อนมาในความคิดที่เรียกว่าเวทนาและก็จะเห็นเบื้องหลังของความคิดต่างๆและก็จะเห็นอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาตอนอื่นต้องผูกจิตเอา ลมหายใจเป็นหลักเอาสติเป็นเชือกเอาจิตที่มันวิ่งว่อนอยู่นี้เหมือนมัวเหมือนควายอย่าให้เชือกมันขาดอย่าให้หลักมันหลดุดวันหนึ่งเถอะ ง, งัวนั้นก็จะคุ้นเคยงัวนั้นก็จะนอนขอให้เชือกไม่ขาดในที่สุดก็จะฝึกใช้งานได้ไปใส่เกวียนใส่ไถเราจะฝึกจิตไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นโลกเห็นความจริงจนไม่ยึดมัน่นเถอะมั่นหัวเราะเยาะชีวิตนี้อยู่เนื้อเกิดดูเนื้อตายไม่ให้ความดีใจเกิดขึ้นไม่ให้ความเสียใจเกิดขึ้น ดีใจเกิดขึ้นเสียใจตายเสียใจเกิดขึ้นดีใจตายจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้ถ้าไม่เกิดสักอันไม่มีอันตายเพราะฉะนั้นคําว่าะพ้นจากเกิดจากตายนั่นก็หมายว่าพ้นจากความยึดมัน่นถือมั่นว่างว่างว่างว่า ง, างปล่อยวางเพราะฉะนั้นโยมเอ๋ยมีหน้าที่อย่างนั้นก็เอาเธอทํามาหากินขายหนังสือพิมพ์ต่อไปแต่ก็จงสร้างจิตใจนี้ให้มันมัน่นคงนึกเสียว่าความง่อยปี้อะไรต่างๆเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องทางกายเท่านั้น อย่าให้จิตใจอ่อนเปรีย้ยเพียแรงเป็นโชคดีของเราแล้วที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเทวดาบนฟ้าก่อนจะตายต้องให้พรกันให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ไปสู่สุคติให้มีลาภอันประเสริฐคือพบพระพุทธประธรรมประสงค์ให้ตั้งอยู่ในลาภนานๆมีสถามีสินในพระพุทธประธรรมประสงค์อย่างไม่งอนแง่นคอนแกนเป็นอาจารย์รัตถาเยนี่ยอมมีแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์แม้จะ ง, ง่อยเปรียร้ยเสียขาพิโกพิการ แต่จิตใจไม่ทีการมีลาบอันประเสริฐคือพบพระพุทธพระธรรมพระสงค์บนพื้นแผ่นดินไทยนี้แล้วเพราะว่านั้นโยมก็ยังได้ตั้งอยู่ในลาบอันประเสริฐคือตั้งอยู่ในศรัทธามีศีลบอกว่าถือศีลห้ามาตั้งแต่ยังเด็กๆเลยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ชอบถือศีลมาตลอดยังนี้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะโยมนะแสดงว่าเราตั้งอยู่ในลาบ ขอให้เมฆหมอกแห่งชีวิตเวรกรรมเหล่านี้ปล่อยให้มันผ่านไปผ่านไปไม่ต้องเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เราเหมือนกับอยู่ในความมืดแห่งราตรีการอย่าไปมัวคลาหาแสงสว่างในความมืดอดทนรอไปหน่อยวันใหม่จะมาถึงแสงสว่างแห่งวันใหม่จะกําจัดความมืดในขณะนี้ออกไปเดี๋ยวนี้รับใช้กรรมเวรของเราไปก่อนนะยอมนะทําจิตใจให้สบายสบายวันพระวันเจ้าเปิดวิทยุฟังอย่าง ใจจริงจริงใ จ, งจงแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทรงความคิดพินิจพิจารณาไปชาตินี้เสียเปรียบเพื่อมนุษย์ด้วยกันเดี๋ยวนี้ก็บผมมีอายุสี่สิกว่าปีแล้วมีครอบครัวแล้วไม่เสียเปรียบใครหรอกยอมคนอื่นเสียเปรียบเรามากบางคนมั่งมีสีสุกตาไม่บอดหูไม่หนวกมีเงินมีทองเขาไม่เคยสนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เขาหาความสุขไปวันวัน แต่เขาลืมเงื่อนไขของชีวิตว่าชีวิตนี้ไม่เพียงสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้บางคนรักศกจกหอมีร่างกายอุดมสมบูรณ์เป็นการก่อเวรสร้างกรรมเผาโรคเผาชีวิตตนเองให้เล่าร้อนสังคมให้เดือดร้อนไม่เคยคำหนึ่งถึงชาตินี้ชาติหน้าเวลาจะตายเข้าจริงๆน้ําตาไหลนองหน้าและลึกไปไหนไม่ได้จิตใจของคนเมื่อเวลาจะตายนั้นมันจะต้องไปยึดเอาอารมณ์หนึ่งอารมณ์สุดท้ายของชีวิต ถ้ามีแต่คุณงามความดีจิตใจจะไปยึดหวังพึ่งคุณงามความดีพี่น้องเต็มบ้านเต็มเมืองลูกหลานล้อมหน้าล้อมหลังหายใจช่วยเราไม่ได้เราจะไปโดดเดียวแต่เดียวได้ติดตามได้แต่บาปบุญของคุณเองถ้ามีคุณงามความดีมากจิตใจก็จะไปยึดอยู่ในนั้นยืมอยู่ในใจถ้าชาติหน้ามีฉันจะได้เกิดในภพที่ดีเพราะฉันสร้างคุณงามความดีเมื่อควิธีแห่งสวรรค์เราได้สร้างไว้ไแล้ว แต่ถ้าหากเรามีแต่ความชั่วน้ําตาจะไหลบางคนฆ่าเป็ดฆ้าไก่ข่างัวฆ้าควายเวลาจะตายร้องเหมือนควายถูกเชื้อหลุกขึ้นเอาหัวไถไปตามแป้นตามกระดานโอ้ยเอาเลือดไปเอาเพียไปโว้ยโว้ยเราโว ย, โยนั่นแหละคือบาปได้บีบคั้นอุปยรักกรรมบีบคั้นเขาตั้งแต่ชีวิตนี้ตายไปแล้วไม่ต้องห่วงตกนรกแน่แน่เพราะฉะนั้นโยมหนึ่งแม้จะเป็นคนพิกลพิการเอาเถิด ขอให้ยอมอย่าให้จิตใจพิการสร้างจิตใจให้มันเต็มอิ่มที่บอกว่าเมื่ออาตมามีงานมีการขอให้บอกมาส่งบัติอนุโมทนาทรงบัติอะไรมาเผยแผ่มาจะช่วยขออภัยโยมอาตมาไม่เคยมีแม้แต่ตู้บริจาคที่วัดนี้ขอให้โยมมีจิตใจอันดีงามอย่างนั้นนั่นแหละเป็นยอดบุญอยู่ที่บ้านไม่จําเป็นจะต้องทําบุญด้วยวัตถุก็ได้ถ้าหากเห็นว่ามันไม่เดือดร้อนค่อยพิจารณากันใหม่การทาบุญนั้น มีทำบุญทั้งสิบชนิดทำบุญที่เสียเงินมีอันเดียวคือทานนอกแกงนั้นสินนามัยภาวนามัยทิฏฐุชุคัมปตานุโมทนาไมัยอันุโมทานาไ ม, ม, าามต่างๆอีกเก้าไม้นั้นไม่ได้เสียเงินสักบาทมีเสียเงินอยู่ไม่เดียวคือการให้ทานยังมีอีกยอดใหมพูดภาวนาามัยอบรมจิตใจให้มันดีมันงามเพราะฉะนั้นโยมเ อ, อ๋ยอย่าไปน้อยออกน้อยใจในชีวิตของโยมปีเียมล้นด้วยคุณทรร อัดไว้ตรงนั้นให้เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองคำก็ดีแล้วโยมเอ๋ยขอให้เข้าใจกันอย่างนี้นก่อนนะอย่างไรก็ตามนะคุณโยมเสนอขอให้คิดเสียว่าชีวิตนี้คือการเดินทางตัว ร, ร่างคือศาลาที่อาศัยร่างกายนี้มันจะขี้ริว้วขี้เหลมมันจะพิกลพิการมันจะดีจังงามอย่างไรก็ถือเสีย ว, ว่าเป็นเพียงศาลาที่อาศัย ที่เราจะต้องเดินทางผ่านศาลาหลังนี้ชีวิตนี้เหมือนเดินเข้าไปข้ามแม่น้ําเราจําเป็นจะต้องข้ามสะพานสะพานหนึ่งไปแต่สะพานนั้นไม่ใช่สถานที่ที่เราจะต้องมาปูบ้านพักแขวนเปนอนในสะพานเราจะต้องเดินผ่านสะพานนี้ไปข้ามฝั่งโน้นชีวิตนี้ไม่ใช่จะอยู่ในโลกนี้เป็นพันพันปีเราจะต้องบอกมืออําลายญาติมิตรดวงอาทิตย์สตรูคู่เวย ทั้งความดีและความชั่วทั้งความหวานชื่นและเขื่อนขมจะต้องจา ก, กันไปไม่เกินร้อยปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือรีบตักตวงสร้างคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือใจนั่นแหละเป็นตัวบงการอาตมาขอแนะนําโยมที่บอกว่าเป็นปี้อะโยมโยมเสนอที่บอกว่า เป็นคนพิการเป็นง่อยไปตั้งครึ่งตัวแต่ก็ยังมีอาชีพขายหนังสือพิมพ์เอาอย่างนี้นะโยมนะสิ่งหนึ่งที่มันไม่พิการคือใจขอให้ยอมมันทํำสมาธิภาวนาคําว่าทําสมาธิภาวนานั้นมันไม่ยากเท่ากับไปเร่ขายหนังสือพิมพ์ดอกเขาไม่ยากเท่ากับไปทําไร่ทํานา สั ก, กัยงายานเต็่นต้งมาเยืนต่างเทียงของตอข่ํา ม, มากเมี่ยงสังเจ้าห่าเบาไว้ของนักสั่งถือได้ไปมาโดยนายข่าําแพหงเอ๋ยสังมาปากบอกผลเสียงเจ้าบ่ได้ยินเห็นของดีเป็นของหายผิวกายเป็นของผุข่าําแพหงเอ๋ยคนโบราณว่าอย่างนี้ผิวกายเป็นของเผ่นกายนี้ไม่ใช่ของเราจะแตกจะดับจะผุจะพังจะเน่าจะเปือ่อยจะตายไปแต่จิต ด, ดวงนี้ยังจะต้องนํากันต่อไปอีก สู่พบใหม่ชาติใหม่ยังเมื่อยังไม่ตัดกระแสแห่งสังสารวัตรสักขยงกรย่านเต็นตั้งมายืนตั้งเทียงนั่งอยู่นอนอยู่คิดไปครอบจะ ก, กวาดส่งความหวังออกสุดขอบฟ้าตื่นมาวิ่งคว้าความปรารถนานั้นสมใจบ้างไม่สมใจบ้างเป็นทุกเรานอนคิดจะมีรถยนต์รถเก๋งจะถูกรถตาลีคิดได้ทั้งนั้นมีสิทธิจะคิด แต่ความเป็นจริงยังนอนอยู่ที่นี่สักกนยงไร่ย่านเต็มเพิงมายืนต่างเทียนท้งองตัวข้ามมากเมี่ยงสังเจ้าห่าเบาไว้ของนักสังทือได้ไปมากโดยง่ายของหนักทําไร่ทํานาทำมาหากินดิ้นรนยือ้อแย่งแหวงหาปากกัดตีนถีบหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทุบชีวิตทํากันได้หนักหน่วงรอดมาได้ของตัวข้ามหมากเมี่ยงสังเจ้าห่าเบาไว้ การฝึกอบรมจิตให้เจ็บมีคุณภาพมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพให้จิตมีความสุขให้จิตนี้มีความอ่อนโยนให้จิตนี้บริสุทธิ์ที่จะไม่ให้มีทุกข์เลไม่ได้แบกไม่ได้หามไม่ได้ตากแดดตากฝนอะไรมากนักดอกเทียงแต่มีสติกำหนดอยู่ทุกลมหายใจไม่ต้องไปว่าอะไรก็ได้หลอกโยมขี่จักรยานขี่อะไรไป แจกไปขายหนังสือพิมพ์ทําอะไรก็ตามมีสติอยู่ทุกลมหายใจอันลมหายใจนี้เราไม่ได้ทําดอกมันเป็นมันเองเดี๋ยวนี้ก็หายใจอยู่ตั้งแต่หลับจนตื่นยืนเดินนั่งนอนตั้งแต่เกิดจนตายลมหายใจไม่มีวันหยุดยัง้งจะหยุดก็เมื่อตายเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเราทําความเพียรติดใดชาร์จไว้ที่จมูก มีสติอยู่ทุกลมหายใจนาะทีหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกรวมแล้วไม่น้อยกว่าสามสิบครั้งชั่วโมงหนึ่งเป็นพันแปดร้อยครั้งวันหนึ่งเป็นหมื่นมื่นครั้งเดือนหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านครั้งรู้อยู่ทุกเมื่อจะ